เอ่อท่านผู้ฟัง 18 มกราคม 2533 ที่ต้องบอกไว้กับ แล้วก็มีการแตะวัตถุแข็ง <c oughs> เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนบันทึกเสียงรู้สึกว่าเสียงแป่งไปสมอง ทั้งนี้ก็คงจะเหมือนกับตถาบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ธรรมะจะทุกข์ เรื่องของตัวของงดถือว่าเรื่องของนิทานให้เป็น คุณป้าน้อย 2 ประการให้ทั้งน้อยและจุไลเป็นผู้ แต่ความจริงเธอตั้งใจอยากจะไปเที่ยวให้มันหมดว่าสวรรค์มีที่ไหนบ้างเทวดานางฟ้ามีที่ไหนบ้างพรหมมีที่ เมื่อปล่อยทิ้งมันนานเกินไปมันอาจจะทุศโสมโศทหรือ พุทธสอบดูว่าเขาประสูติเมรในอยู่ <c oughs> ด้านนี้ต้องเป็นบันไดเงินตรงกลางเป็นบันไดนาคขอโทษตรงกลางเป็นบันไดแก้วให้องค์สมเด็จ <c oughs> <c oughs> ลงจากเขาพสุเบนมาก็มาพบทาง 4 แพร่งเธอจึง อย่างเนี้ยป้าจะไปถูกมั้ยป้าน้อยก็ตะว่าหลานเวลานี้เราเป็นอารมณ์จิตคือที่มา ถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ก็ไม่ใช่ไกลทิพย์ไม่ <c oughs> เป็นที่รัตน์ราชแต่ทางตรงข้ามเป็นทางที่ใต้นั่นเป็นทางไป ยมโลก 660 ขุมอยู่ด้านฟ้ามือที่เราจะเลี้ยวไปนั่นเลยไปจากนั้นจะเข้าไปถึงแดนของพญายมจุลัยก็ถามว่าคุณป้าสร้างมา เป็นว่าจุลัยก็ถามว่าคุณ ทีไรก็ถามว่าหลวงพุทธกับหลวงใหญ่เนี่ยหมายถึงสำนักพระยาคมใช่มั้ยป้าน้อยก็บอกว่าใช่ในขณะที่ทั้ง 2 ป้าหลานเดินลงมา ชมสวรรค์กันมากเกินไปบริยะเพลินความดี 2 คนเดินมุ่งหน้าท่านผู้ ไม่ใช่อยู่ในแดนนรกใช่อยู่ในแดนนรกอยู่ในเขตของชั้นจาตุมหาราชของ ตบะได้เอา 3 เล่มมหาปรานีหมวดๆแต่ละหมู่ 200 คนขึ้น สูงมากบรรดาคนที่ยืนเป็น นี่เป็นลานด้านทิศตะทิศตะวันตกของสำนักของพระยาคมเป็นลานใหญ่ให้คนยืนอยู่ประมาณทั้ง 10 กลุ่มแต่ละกลุ่ม ควบคุมคนไว้เพราะคนไหนก็ยังไม่มีการสอบสวนก็ยังไม่ปล่อยให้ไปแต่ถ้าว่าไม่มีความผิดคือพยายามส่งให้ไปรับผลความดีเค้าก็ปล่อยไปแต่คนไหนถ้าพยายามตัดสินใจว่าศีลแล้วแต่กรรม <c oughs> เราจะเข้าไปสนัขคมยายมได้ พอเข้าไปใกล้ก็เห็น 3 หลังตั้งเรียงรายกันอยู่โครงมีความสวยสดงามน่าอยู่น่าพักน่านั่งและก็มีบรรดาเจ้าหน้าที่แต่งตัวสวยๆยืนอยู่เป็นกิจกรรมเป็นหมวดเป็นหมู่ทางประตูเข้า แต่ว่าเจ้าหน้าที่ 4 คนแต่งเครื่องแบบเหมือนกันหมดคือสีแดงเสื้อก็สีแดงผ้านุ่งกับกางเกงก็สีแดงเหมือนกันพวกหัวแดงถือ เธอก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะแล้วเธอก็ไม่ตอบลุงก็ถามว่าก่อนที่หนูจะมานี่หนูไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สวรรค์โลกมาแล้วใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่ถามว่า <c oughs> แต่ก็บอกว่าท่านพญายมส่งเจ้าหน้าที่มาคอยรับ เข้าไปที่นั่นก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายชาย 2 ฝ่ายหญิง 2 ทุกคนมีความสวยสดก็งามมากทุกร่างหน้าตาก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาตุ้งผ้าเรียกเรียกแต่ผิวพรรณสวยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่มี ผมอ่าใส่เสื้อก็สีทองผมผ้าสไบก็สีทองคลิปแดงแต่หญิงก็ไปยกมือไหว้ป้าน้อยถามว่าป้าจำหนูได้มั้ยป้าน้อยก็งงถามว่าหนูคือๆว่าว่าจิตเป็นชื่อ <c oughs> <c oughs> แม่น้อยก็ถามว่าหนูรู้จักกับ <c oughs> วันแรกป้าสามารถนำไปได้ถึงพระ <c oughs> พระน้อยก็ถามว่าในเมื่อหนูได้ <c oughs> เธอก็นึกถึงธรรมนาว่าพุทโธนึกถึง <c oughs> ปริมาณหน้าตักประมาณทั้ง 10 ศอกเหลืองอารามเป็นทองคําตอนนี้เองใจหนูก็นึกรักพระพุทธรูป ใครจะปฏิบัติพยาบาลนักศึกษาแบบ ในเมื่อเธอพูดเข้าภาพของวิมานภาพ <c oughs> ร่วมในการสร้างบ่อปลาทางไวก็จะสร้างบ่อปลา 2 หนูเคยอาหารนิดนึงที่งํา แล้วก็มีผ้าผืนหนึ่งย่อมๆชุดละ 100 พระกระถามว่าในฐานะที่หนู ป้าน้อยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจิตใจของเธอยังมีความต้องการพรนิพพานไหมเธอก็ตอบว่าเวลานี้หนูก็ยังรักพระนิพพานเธอพอทอยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเธอมาที่นี่ ทางนี้ให้จะได้ป้ากับหลานไม่เก้อเขินไม่แปลกในสถานที่ไม่งงดีไม่ดีเห็นจะเป็นการเป็นสถานที่ใหม่จะงงไม่กล้าคุยกับใครก็เป็นว่าท่านสั่งมาบอกว่าก็ให้บอกหนูหนูจะกราบเรียนท่านเองก็เป็นว่าป้ากับหลานขอบใจ แม้บ่ชื่อจิตไม่บอกท่านสกลท่านด้วยก็ตามเดินตามเธอไปเข้าในศาลนักพ่อยายมเข้าไปในม่าน แต่ว่าท่าน 2 คนวรรณะ 2 คนก็นั่งฟังมาตอนหนึ่งท่านถาม ก็ตอบก็กรเงียบไม่พูดท่านถามว่าเคยทําบุญอะไรไว้บ้างคนนั้นก็เงียบไม่พูดตอน คนนั้นอ้าปากตอบ 10 ตัวแต่ความจริงอันน่ะตอนนี้พูดได้ 4 ตัวแล้วต่อมาคลอดคลอดได้ 2 อีก 5 ตัวเป็น 9 ตัวรวม 10 ตัวเป็น เขาก็ใส่หวนึกไปออกถวาย <c oughs> เจาผู้ใช้ผู้ According to the people who don't doubt in it won't challenge the hearing will be not going to stay leaving soc at me I would ask you to Keyboard this part- they protest after variety of times and leave a beaver behind em and stalled in no one nor own carrying on ground away after them, they suddenly went Dota torup behind the head. the message of all the people who were listening to this teaching ถ้าท่านก็บอกว่าเค้าต้องจะบอก เป็นเหตุให้เขานึกออกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะ ถ้าว่าท่านงามจริงๆแพรวพราวประยับในเครื่องเพชรมีชฎามีผ้าก็ไม่ต้องพรรณนาแล้วเทวดาก็สวยแล้วหรือท่านเทวดาองค์นั้นถึงกับ แต่แต่บุญทุกอย่างบุญบวชพระบุญบวชเรียนบุญถวายสังฆทานบุญใส่บาตรหน้าบ้านคุณเคยฟังเทศน์แล้วเคยเรียนสนักมารวมตัวกันเป็นกลุ่มบุญใหญ่อ่ะให้อานิสงส์พร้อมกันป้าน้อยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้น อาจารย์น้อยก็บอกว่าคนที่เคยบวชพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยถวายสังฆทาน บารมีพุทธะสูงส่งเพียงใดก็ตามทีแต่ 30 นาที ก็ 30 30 นาทีมากไปหน่อยก็ต้องสมบูรณ์พูนผลและ